ภาวนาภาวนากับพิจารณาภาวนาเรียกได้ทั้งสองอย่างสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาหรือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนา ใช้คำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าภาวนาแปลว่าทําจนมีทําจนเป็นทําซ้ซําๆย้ําไปย้ํามาย้ําไปย้ํามาเหมือนเขาคราดเขาไถนั่นแหละท่านใช้คําว่าภาวนาภาวนาทําจนได้ ทำจนมีทำจนเป็นท่านจึงเรียกว่าภาวนาถ้าเป็นสมถะทเรียกว่าสมถะภาวนาถ้าเป็นเป็นวิปัสนาทเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหรือถ้าเราใช้กับรวมกับสมาธิทเรียกว่าสมาธิภาวนาปัญญาปัญญาภาวนา เป็นสมถะสมถะภาวนาถ้าเป็นวิปัสนากขาวิปัสนาภาวนารวมแล้วคือสมถะกับวิปัสนานั่นแหละรวมแล้วคือสมาธิกับปัญญานั่นแหละต้อเรียกว่าภาวนาภาวนาที น, นี้กรรมฐานกรรมฐานกร ร, รรมฐานที่ตั้งแห่งการงานทอทอฐานนะที่ตั้งอ่า ที่ตั้งแหงงง่งการงานกรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งกรรมที่ตั้งแห่งการงานการงานคือการงานภาวนาน่แหละภาวนาคือการงานเนี่ยสมถภาวนานี่คืองานอย่างหนึ่งวิปัสสนาภาวนานี่คืองานอย่างหนึ่งกรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานกายแหละเป็นที่ตั้งแห่งงาน สมรรงานวิปัสนากายนี้จิตนี้เป็นที่ตั้งแห่งงานของสมถะและงานของวิปัสนากายนี้แห่งจิตนี้กายนี้กับจิตนี้เป็นที่ตั้งของกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการงานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานภาวนาให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์เดียว ก็เอากายมาเป็นอารมณ์หรือไม่เอาจิตนีเ่เป็นอารมณ์เอาคําบริกรรมเป็นอารมณ์หรือเอากายเป็นอารมณ์เช่นอย่างเราเพ่งดูกายเพ่งดูกายเราเพ่งดูได้สองอย่างเราเพ่งดูผมจ้องดูผมอย่างเดียวเนี่ยหรือจะไล่ผม ขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาอย่างนี้มันได้ทั้งความสงบมันได้ทั้งปัญญาได้ทั้งความรอบรู้หรือเรากําหนดผมกําหนดดูผมผมผมผมผ ม, ผมให้จิตมันอยู่กับอารมณ์เดียวคือผมผมผมผมผมหรือขนขนขนขนขนหรือฟันฟันฟันฟันฟันประมัดจ้องอยู่กับ รูปที่เป็นรูปผมรูปขนรูปเล็บรูปฟันรูปนังนี่ก็ทำให้อยู่กับอารมณ์เดียวก็เป็นสมะถะกรรมฐานถ้ารับพิจารณาที่ความเปลี่ยนแปลงเขามันมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปแล้วก็มันไม่ใช่ของเราเอาไตรลักษณ์มาเกี่ยวข้องแบบนี้พิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่าย จะพิจารณากายก็ตามจะพิจารณาอารมณ์ภายในจิตก็ตามพิจา ร, รณาให้เกิดความเบื่อหน่ายนี่เขาเรียกว่ากรรมฐานถ้าพิจารณาให้เกิดความคึกขนองเลยเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานละเราฟังท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านมาสอนหน้างั้นมาสอนหน้างท่านบอกว่ากรรมฐานพิจารณายังไงถึงจะเป็นกรรมฐาน พิจารณายัางไงถึงไม่เป็นกรรมฐานพิจารณาเป็นกรรมฐานคือพิจารณาเพื่อให้เกิดความเบื่อเกิดความน่ายเกิดความรู้เกิดความเห็นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเนี่ยพิจารณาเป็นกรรมฐานแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามแล้วไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่กรรมฐานก็คือมันไม่ใช่งานของธรรมแหละมันเป็นงานของกิเลส ท่านจริงว่าไม่ใช่กรรมฐ า, านไม่ใช่กรรมฐ า, านพิจารณาเพื่อเพื่อรักเพื่อใครเพื่อชอบใจ <sidewalk> เพื่อความดีใจเพื่อความเสียใจเพื่อความชอบใจ <sidewalk> เพื่อความพอยใจนี่ไม่ใช่กรรมฐ า, านละไม่ใช่กรรมฐ า, านเพราะสิ่งที่มันพาชอบใจพาพอใจมันเป็นเรื่องขอ ง, ของกิเลสนี่มันสวมรอยเข้ามาเราไม่รู้ละเราไม่รู้ละเพเราะฉะนเราตั้งประเด็นาาเอาไว้ว่า หนึ่งเราจะให้จิตอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้มันสงบก็คือจิตมันมีสติสัมปชัญญะโรอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้จิตมันได้รับความสงบถ้าเราจะพิจารณาให้เห็นให้เกิดความเบือ่อเกิดความน่ายเห็นอสุภะอสุพังพิจารากายพิจารณาเป็นไปตามกายที่แสดงว่ากายขัตตาสติกายคตาสติตสตพิจารณาเกิดความเบือ่อหน่าย เกิดความเบื่อหนเราชงใช้สัญญาคาดเดาเราพยายามดูเราไม่ต้องเดาก็ได้เราดูความจริงของร่างกายของเราร่างกายของเราว่าสวยว่า ง, งามตรงไหนว่าสวยตรงไหนว่า ง, งามดูมาที่ผมยกผมมาหนึ่งดูมาที่ขนดูมาที่เล็บดูมาที่ฟันดูมาที่หนัง เราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาแต่จะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาฟันพิจนารณาหนังผมขนเล็บฟันหนังคือสภาพที่ทําให้เรามองเราเพอจะมองเห็นผมเราก็มองเห็นขนเราก็มองเห็นเล็บเราก็มองเห็นฟันเราก็มองเห็น มองด้วยสายตาของเราไม่เห็นมองในกระจกเห็นฟันหนังครอบหมดพิจารณาหนังถ้าให้พิจารณาแยกแยกอย่างนี้พิจารณาเพื่อเกิดความเห็นว่ามันไม่ใช่ก้อนมันไม่ใช่แท่งมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรามันไม่ไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวตน เรามันแทรกมันได้ยังไงอัตตาตัวตนมันแทรกเข้ามาได้ยังไงเราขึ้นมาทีไรอัตตาตัวตนก็โผล่มาทีนั้นเมื่อนั้นอ่าตัณหาโผล่มาทีไรเมื่อไรเราโผล่มาทีทีนั้นเมื่อนั้นตัณหามันโผล่มาครอบงําจิตเราทีไรเมื่อไร่ตัณหาคือกิเลสกิเลสก็คือตัณหามันครอบงําจิตเราทีไรเมื่อไร่ อัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาทีนั้นเมื่อนั้นอัตตาตัว ต, วตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ความเห็นแก่ตัวก็โผล่มาทีนั้นเมื่อนั้นทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวมันก็มาตอนนั้นมาเมื่อนั้นนี่มันเป็นสายเป็นเส้นเป็นสายของกิเลสเราพยายามจับดูต้นต่อข้อมันให้มันถูกไม่งั้นเราก็หลงกับมันหลง เราคิดก็ท่านก็แทน่นคิดไม่เป็นเส้นเป็นสายคิดกระท่านกระแทน่นหลงคิดแบบหลงเงือนเพราะตัณหาตัณหากับอวิชชาโมหะกับอวิชากับกิเลสกับตัณหานี่มันอันเดียวกันอวิชาาวชาตัณหาอวิชชาตัณหาโมหะนี่เป็น อันเดียวกั น, verder, นกิเลสเป็นอันเดียวกันกิเลสอวิชชาตันหาโมหะมันกันเดียวกันนั่นแหละคือกิเลสมันเกิดขึน้นในใจของเรากิเลสมันไม่เกิดขึ้นที่อื่นนมันไม่เกิดขึ้นที่กายมันไม่เกิดขึ้นที่อะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นที่ใจอย่างเดียวเราพยายามตล่มเข้ามาเกิดมาที่ใจอย่างเดียวเพราะใจตัวเดียวนี่แหละเป็นมหาเหตุเป็นมหาเหตุ ความสุขทัางหลายทั้งปวงในโลกความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้เพราะเรามีใจเพราะเรามีใจถ้าเราเป็นต้นเสาเนี่ยเราไม่ต้องมารู้เรื่องอะไรมันก็เหมือนสภาพที่ไม่มีอะไรเป็นสภาพศูนย์เปล่าไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีกิเลสไปพายึดพาถึงด้วยเหตุที่เรามีจิตจิตของเรา มีกิเลสกิเลสภายในจิตของเราเนพายจิตเรายึดนั้นยึดนี้ถือนั้นถือนี้เกาะนั้นเกาะนีะ้ความเห็นแก่ตัวของมันเราดูไปที่ความโลภจิตมันเห็นแก่ตัวเราดูไปที่ความโลภของจิตจิตของเรามาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะอ ะ, อะไรเพราะมันมีตัวเดียวนี่แหละมันมีสิ่งอัศจฉ ร, รย์ของมันอันเดียวนี่แหละคือสามารถเข้าไปรู้ไปเห็นได้ โลกนี้ปรากฏกับมันได้ปรากฏกับจิตคือผู้รู้ได้เราไม่ใช่ตารู้ไม่ใช่หูรู้ไม่ใช่จมูกรู้ไม่ใช่กายสัมผัสรู้แต่จิตเป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อให้มันเท่านั้นเองตาเป็นสื่อหูเป็นสื่อจมูกเป็นสื่อลิ้นเป็นสื่อกายสัมผัสเนี่ยเป็นสื่อ ตัวมันเองมันเป็นสื่อข้างในอยู่ข้างในเราพยายามน้อมมาทะล่อมมาที่จิตตัวนี้มันมีความอัศจรรย์ในตัวของมันทีนี้มันออกไปทางตาปเปลี่นรูปขันหลงรูปเพลิดเพลินไปโอ้รูปทั้งหลายทั้งปวง ม, มันมีมีทั้งที่ดีมีทั้งที่ไม่ดีมี ท, ที่มีทั้งที่น่าพอใจมีทั้งที่ไม่น่าพอใจมีทั้งที่เห็นเห็นแล้วมันต้องตาต้องใจต้องกิเลด เ็นแล้วไม่ถูกใจกิเลดที่ถูกใจมันมันก็ว่าสวยมันก็ว่างามที่ไม่ถูกใจมันก็ว่าไม่สวยมันก็ว่าไม่งามมันเลือกเอาหนักๆนักเข้ามันก็แสวงหาแต่สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่เห็นว่าดีสิ่งที่เห็นว่างามอ่าโดยที่แท้จริงจิตดวงนั้นไม่เคยเข้าไปรู้เห็นสิ่งที่เห็นทางตาคืออะไรเป็นอะไรสิ่งที่ได้ยินทางหูคืออะไรเป็นอะไรความจริงทั้งหลายที่จะปรากฏทางตา ว่าเป็นนุ่นเป็น น, นทที้เป็นธาตุเป็นขันเป็นนุ่นเป็นนี้เป็นอะไรทอะไรมั uh, นไม่สอนให้ให้รู้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจอย่างนั้นงานของกรรมฐานเป็นงานสอนให้เรารู้เราเห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงตาเห็นรูปความจริงของรูปที่เราเห็นมันเป็นยังไงหูได้ยินเสียงความจริงแท้ของเสียงคืออะไรเป็นอะไรนี่กรรมฐานหรือธรรมะสอนให้เรารู้อย่างนี้ จมูกดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายสัมผัสสอสให้เรารู้ว่าความเป็นจริงที่มันลิ้มรสที่มันสัมผัสน่ะมันมีภาวะคืออะไรเป็นอะไรจิตน้อมนึกข้างในคืออะไรกันแน่นั่งนึกเห็นรูปนะเห็นรูปลนะับตาเห็นรูปนนะัปกติตามันเห็นรูปแต่เราไม่เปิดตาเราหลับตานะเห็นรูปรู ป, ปรสัญญา ความจริงอย่างหนึ่งของมันรูปสัญญาแต่ผู้รู้สักดิ์ทวารู้ว่ารู้ว่าสัญญาเกิดขึ้นทางมนุษวารและกัดับรู้ว่าสัญญาเกิดขึ้นทางมนุษวาลและกัดับบางทีเสียงสัญญาสัทธกสัญญาสิวขันธกสัญญาสัญญาหมายว่าเป็นกลิ่น หมายว่าเป็นกลิ่นหอมผลพระสัญญาหมายว่าสัมผัสอ่อนนิ่มนวลอุ่นอ่อนนิ่มหน้ากำหนัดหน้ายินดีหน้าชอบใจหน้าเพลินใจนั่นคือคือความเป็นคือคือมันถูกตันหาแทรกเข้ามาแลละถ้าเห็นว่าหน้าย่งงั้นหน้ายังั้นหน้ายงงั้น นั่นคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงแท้ปรากฏเป็นของปลอมที่กิเลสมันเสกให้กิเลสมันเสกให้ให้เราเห็นผิดเห็นผิดไปจากความเป็นจริงของมันจึงเป็นเหตุให้เราชอบใจเป็นเหตุเหตุให้เราไม่ชอบใจอันไหนที่ควรชอบใจมันก็ดึงเข้ามาชอบใจอันไหนเป็นเหตุไม่พอใจไม่น่าชอบใจมันก็เห็นว่าไม่ชอบใจ ชอบใจเนี lors, dreams, ons, hitting, ่ยดึงเข้ามาไไม่ชอบใจเนี่ยผลักออกไปเรายื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้แหละอารมณ์ภายในจิตของเรานเราพยายามผลักออกไปมันก็ไม่ไปเราพยายามดึงเข้ามามัดเข้ามาคร่ําครวนไตรตรองสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราของของเราของเราพ่ของเราแม่ของเราเพื่อนของเราลูกของเราเมียของเรา ครูของเราอาจารย์ของเราครูบาของเราโยมของเรามันดึงมันเกณฑ์มาหมดมันเกณฑ์มาอย่างนั้นเราดูว่ามันเกณฑ์ออกมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่กิเลสมันมันมันให้เราไม่เห็นเป็นของจริงแล้วมันเกณฑ์เข้ามาแล้วก็ยึดเข้ามาแล้วก็เราในสู้เราไปยึดอะไรได้ยึดอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า ทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยของมันของที่ปรากฏทางตาแม้แต่ตานีน่มันมันมันก็ภายในมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันรูปข้างนอกที่มาปรากฏทางจักสุบสวรรค์เหตุปัจจัยในขณะปัจจุบันเป็นเหตุให้รูปมาปรากฏนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเหตุปัจจัยเฉพาะตัวรูปมันเองนั่นก็เป็นเหตุปัจจัยอีกส่วนหนึง่ง เราเข้าถึงเหตุเข eh so ้าถึงปัจจัยแล้วความจริงจะเริ่มปรากฏกับเราความจริงเกิดกับเราปรากฏกับเรามันจะไม่ยินดีมันจะไม่ยินร้ายมันเห็นสักเท่าวหาเห็นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์มันไม่ยินดีมันไม่ยินร้ายยินดีไม่สมใจก็ทุกยินร้ายไม่ชอบใจก็ทุกนี่แหละเรามารู้แต่ว่าเราบรรทุกทุกทุกทุกทุก แต่ไปดึงยินดีเข้ามาสะสมยินดีเข้ามาสะสมความไม่ยินดีเข้ามาไอตัวเองไปสะสมเข้ามาไม่ได้คิดไม่ได้คาหนึ่งว่านี่คือสาเหตุอันนี้คือเหตุอันนี้คือปัจจัยเราไม่เราไม่ได้คิดตามมันมันไม่ได้เราไม่ได้กะตามมันเราไม่ได้ขไขครวญพิจารณาตามมันเรามารู้แต่ตอนมันขมวดมาแล้วว่าไม่พอใจ คล้องใจไม่พอใจผิดใจผิดใจสมผิดหวังผิดหวังเสียใจอะไรตัวนี้ทุกละเสียใจแล้วกระทกล้ดึงข้ามาไม่ชอบใจไม่พอใจกับทุกล่ะมันไม่ได้สมใจหวังเลยผลักออกไปมันไม่เป็นไปตามใจหวังกระทุกอีกละนี่เพราะอะไรเพราะความจริงไม่ปรากฏที่ใจของเราความจริงไม่ปรากฏ ภาวะของความจริงไม่ปรากฏในใจของเรามันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ความจริงไม่ปรากฏกับใจของเราคือเราไม่ได้พิจารณาตามแนวตามแถวของกรรมฐานอาจินนกรรมความนึกคิดในจิตของเราเนี่ยเราไม่ได้นึกคิดตามแบบตามแนวตามแถวของกรรมฐานนะเราคิดนึกเลื่อยเปื่อยตามกิเลสทั้งหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อยังที่ลงตาธนวาน ถ้าเราไม่อยู่ในท่าทีที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาด้วยแล้วเนี่ยเป็นของมันทั้งหมดทันว่าเป็นของมันทั้งหมดของมันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นมันก็เป็นวิบากกรรมนี่เราพยายามทำไงเราจะพยายามไข่ครวญอย่างนี้จะให้ความจริงปรากฏภายในใจของเรารูปพยายามพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปรูปที่ปรากฏทางตาเป็นรูปคนเป็นรูปสัต เป็นร <group> no ูปส the no sort of ิ่งเป็น <events> รูปของเป็นรูปอะไรตัอะไรให้ให้เราพยายามดูดูไปที่เหตุที่ปัจจัยของรูปนั้นอ๋อรูปนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอ่มันตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันจะเสื่อมไปมันจะสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราดูข้างนอกแล้วเราดูมาที่กายของเราก็เหมือนกันรูปข้างนอกตั้งอยู่ไม่ได้ยังไงร่างกายของเราก็เป็นรูปอย่างหนึ่งมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างนัน เหตุปัจจัยในขณะปัจจุบันทันด่วนที่มันสัมผัสกันทีนั่นจักรคู่สัมผัสเนี่ยหรือจักรคูวิญญาณเนี่ยตาเห็นรูปปั๊บเกิดความรู้เกิดความรู้รู้แบบนี้เขาเรียกว่ารู้โดยวิญญาณวิญญาณนักขันสัมผัสปั๊บรู้ปั๊บแล้วก็ดับไปแล้วขณะนั้นดับไปแล้วสัมผัสปั๊บรู้ปั๊บเป็นวิญญาณนักขันเป็นจักรคูวิญญาณก็ดับไปแล้ว ภาษาบาลีท่านใช้เข้ามาจากขุวิญญาณรู้แจ้งทางตารู้แจ้งแพลบเดียวแล้วก็ดับไปแล้วรู้แจ้งแพบเดียวแล้วก็ดับไปแล้วขณะอื่นก็ขึ้นมารู้แจ้งแพบเดียวก็ดับไปแล้วขณะอื่นขึ้นมาแต่วิธีการทํางานของเราเนี่ยเราประคับประครองได้ไหมเราสามารถประคับประคองให้สืบเนื่องไปได้จิตของเรามันวิ่งรับอารมณ์เป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะแต่ในขณะเดียวกันเราพยายามดำรงสติให้ติดกันพื่ แสดงว่าพยายามประคองผู้รู้ของเราเนี่ยไม่ให้มันเกิดดับตามอารมณ์ที่มันมาสัมผัสพยายามประคองผู้รู้ของเราเนี่ยให้พืชเหมือนกับมันโร่ไปหรือไม่ให้มันขาดช่วงทําอย่างนี้จนได้เป็นปึกเป็นแผ่นการทําแบบนี้เป็นการตั้งเจตจํานงที่จะทําไม่ใช่อยู่ให้เกิดให้มีให้เป็นตามบุญตามกรรมไม่ใช่ คอยบุญวาสนาคอยให้เกิดให้มีขึ้นตามบุญตามกรรมต้องทำมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเราประคองไม่อยู่มันขาดช่วงมันหลุดไปอา้าวขาดช่วงหลุดไปอา้าวขาดช่วงหลุดไปประคองให้อยู่ในเงื้อมมือประคองอะไรประคองผู้รู้ประคองจิตของเราเนี่ยมันรู้รูให้มันรูจิต ก, กับสติของเราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเลย สติสมันรู้สัมผัสัญญามันรู้กับจิตเนี่ยรู้สติสมัมผััญญากับจิตเนี่ยทำไมเราต้องแยกแยะช่วงระยะที่จิตมันตื่นมันรู้ชัดเจนที่สุดตอนไหนก็ตามนะ่ะคือคือตอนที่สติมันมีพร้อมอยู่ภายในจิตตราบใดที่มันขาดสติ มันเผลอไปนึกเรื่องนู้นนึกเรื่องนึกเรื่องนี้นึกเรื่องอะไรก็าตามแต่เราไม่ทันมันทําไมว่าเราเราทําไมเราไม่ทันไหนว่าเราคือผู้รู้ทําไมเราไม่ทันมันก็ตัวสติของเราเนี่ยความรอบรู้เท่าทันสังขารที่มันปรุงยับออกไปเราไม่ทันมันปรุงยับไป เ, เราไม่ทันมันเราไม่ทันมันถ้าเราปล่อยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หมดปีหมดชาติ <c oughs> ไม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาดอก เพราะฉะนั้นต้องใช้งานกรรมฐานกรรมฐานทำจนเป็นงานกรรมฐานงานภาวนาภาวนาจนเป็นภาวนาจนได้ภาวนาจนมีคาว่าภ า, ภาวนาเนี่ยต้องทำคำว่าทำต้องมีเจตจำงตั้งอกตั้งใจที่จะทำนำรงสติเข้ามาเจ้าอยู่ในหัวใจของเราเจ้า กนดผู้รู้ของเราเนี่ยมันโรยพืชไปอย่าให้มันขาดถ้าเกิดขาดมันขาดในลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันโดยเหตุที่เรามีสติอยู่มีสัมผัสัญญะรู้อยู่เรารู้เราเห็นเราเห็นเราทันปั๊บทันแหละเรียกมันทันทันอนิจจังทันทุกขังทันอนัตตาทันเกิดทันดับนี่เาเรียกว่ามันทันเกิดทันดับ แต่ถ้าตราบใดตราบใดเราไม่ทันมันเราไม่ประคองพืชไปแล้วะมันพลอยไปเกิดไปดับมันเกิดดับลงไปกี่ขณะ แ, แล้วเราไม่ทันมันะเราไม่รู้หรอกมันปรุงน้นปรุงนี่เน่ยนะคือการเกิดการดับของมันอันนีเ้เราพูดถึงจิตนะเพราะจิตนี่มันเร็ ว, จ, รวจิตนี่มันเร็วกว่าร่างกายจิตปรุงในหลักาภาษาพิธรรมเขาบอกจิตปรุงล่วงไปตกไปถึงสนะิเจขณะน่ะ กายถึงจะขยับาจยถึงกายถึงจะกายถึงจะเปลี่ยนแปลงกายถึงจะเปลี่ยนแปลงจิตปรุงตกไปมารุ ก, กีขณะคือจิตมันเร็วกว่ากายความเปลี่ยนไปของจิตเนี่ยมันมันเปลี่ยนเร็วมากเร็วเร็วมากกว่ากายร่างกายเพราะฉะนั้นเร า, ราจะต้องตั้งเจจำลองอย่างมั่นคงด้วยสติด้วยสัมปชัญญะมัด ผู้รู้ให้อยู่กับมือเราเนี่ยตั้งเจตนาการทำงานเจิตจำนงแล้วก็เอาความเพียรประคองเข้าไปไม่ใช่อยู่ให้เป็นตามบุญตามกรรมไม่เป็นกรรมฐานกรรมฐานเอาจิตเป็นที่ตั้งเป็นฐานของการของงานเอากายเป็นที่ตั้งของการของงานเราจะพิจารณากายก็ได้เราจะพิจารณาจิตก็ได้เหมือนกันหมด เพราะพูดทางานพูดนี้คือคือจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนี่แหละพาเราสุขภาเราทุกข์ภาเราชอบใจภาเราเสียใจภาเราโง่ภาเราฉลาดอยู่นี่แหละภาเรามืดภาเราสว่างภาเราสูงสูงต่ำต่ำภาเราไปที่สูงภาเราไปที่ต่ำภาเราสุขภาเราทุกข์ภาเยาเรายาละเอียดตัวเดียวตัวนี้แหละแล้วก็พฤติกรรมตัว พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเจ้าตัวนี้แหละเป็นเจ้ากี่จ้ากาันใครปล่อยตามบุญตามกรรมคนนั้นก็จะล่องลอยเปิดไปตามบุญตามกรรมไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเพราะฉะนั้นงานกรรมฐานจึงเป็นงานที่ทําให้เรามาขุดมาคุยมารู้รู้ให้เห็นเหตุเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันพยายามดูให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันแล้วเราจะไม่สงสัยตราบใดที่เรายัง ไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยเข้ามาเนี่ยมันสงสัยเห็นรูปเราก็ดูโอ้ที่ไปที่มาของรูปเป็นยี้เป็นยี้ไหมไรพีเกณฑ์ให้มันเป็นตามใจเราก็ไม่ได้ดอกเพราะรูปใดๆก็ตามที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราคิดอย่างคนเอ้าคนมันก็คนละคนไปแล้วมันไม่ใช่เราแล้วมันอีกคนหนึ่งไปแล้วเน่ยเขากินเขาอยู่เขาหลับเ้านอนเขาสุขเขาทุกข์เขาตื่นเขาวิ่งเขาเดินเขานั่งเขาอะไรก็เรื่องของเขา แต่ถ้าเราไม่ทันเหตุทันปัจจัยของเขาเนี่ยไอ้เจ้าความอยากมันเห็นว่าต้องตามันมันก็ชอบใจมันเห็นว่าไม่ต้องตามันมันก็ไม่ชอบใจนั่นเป็นอำนาจของมนแล้วมันโผล่เข้ามาแล้วมันแสดงเข้ามาแล้วมันวาดลวดลายมันแสดงบทบาทเข้ามาแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจเราไม่เห็นเหตุเราไม่เห็นปัจจัย ทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราแต่ทําไมเราไปผัวพันทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้มาผูวพันกับเราเนี่ยเราเนี่แหละไปหลงไปผัวพันกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยละหลวมแล้วก็ตันหามาแทะเข้ามาที่จิตตันหาแทกเข้ามาที่ไหลเมื่อไหร่มันก็ยึดตันหาแทกเข้ามาที่ไหลเมื่อไหร่มันก็ยินดีมันก็ยินรายมันก็พายุด โอกาสที่เราจะไปเข้าไปเห็นเหตุปัจจัยมันเห็นไม่ได้เห็นเหตุปัจจัยส่วนที่เป็นวัตถุที่เรามองเห็นนะเหตุปัจจัยปัจจุบันคือตากระทบรูปเกิดความรู้พระจิตมันออกไปทางตาตานี่เป็นทวารหูเป็นทวารจมูกลิ้นเน่ยเป็นทวารกายเป็นทวารเป็นทวารคือเป็นประตูเป็นประตูสลับใจมันออกไป ใจคือผู้รู้ผู้รู้คือใจหรือจิตหรือผู้รู้หรือใจมันนันเดียวกันใจดวงเดียวนี่แหละทําให้เราท่องเที่ยวอยู่ในโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่จบโลกนี้ปรากฏยังไงยังไงให้กับเรากันเจ้าตัวการตัวนี้แหละตัวเดียวนี่แหละแล้วเจ้าตัวการตัวนี้โดยที่แท้จริงเขาเขาเขาเป็นเพียงธาตุรู้แต่มันมีสิ่งที่แทรกเข้ามาในนั้น่ะ สิ่งที่แทรกเข้ามาในนั้นพระริเจ้าท่านสอนว่าเอาออกได้สิ่งสิ่งที่ทําให้ท่ารู้ของเรามัวหมองอสิ่งที่ทําให้ท่ารู้ของเราเศร้าหมองตอนนี้ออกกิเลสกิเลสแล้วว่าสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราไม่มีคุณสมบัติพอที่จะไปตามรู้ตามเห็นเหตุปัจจัยของมันด้วยอานาจความรุ่มหลงภายในจิตมันก็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอายึดอันนั้นยึดอันนี้ ยึดอะไรสารพาัดไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยในเมื่อไม่เห็นเหตุไม่เห็นปัจจัยของสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราได้กลิ่นเราได้สัมผัสเราได้อะไรต่างต่าคือเราไม่เห็นความจริงในเมื่อเราไม่เห็นความจริงเราก็อยู่แต่กักลมายาอุบายของกิเลสมันก็หลอกเราไปไปเป็นวันวันไปหลอกไปเป็นวันวั น, วนความจริงไม่ปรากฏความยินดีมีแต่ความยินดีนดเกิดขึ้นภายในใจมีแต่ความยินร้ายเกิดขึ้นภายในใจมีแต่ มีแต่ตันหาอุปาทานเต็มแปรอยู่ในหัวใจสิ่งเหล่านี้คือเหตุคือปัจจัยแห่งแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเหตุเหตุปัจจัยแห่งความสุขคือหยุดจิตไม่ให้ปรุงแต่งแล้วก็พิจารณาหเห็นเหตุเห็นปัจจัยหรือสมถะทําจิตให้อยู่กับอารมณ์มเดียวพิจารณาหเห็นเหตุเห็นปัจจัยคือวิปัสนาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสิ่งที่ปรากฏ ดูมาที่กายเราก็เห็นเหตุเหตุปัจจัยที่กายดูไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในภายนอกมันสัมพันธ์กันก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยดูไปที่รูปที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่ะละอย่างแต่ะละอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเนี่ยก็เหมือนอย่างกับแก่กับแก่กแกนียเราดูที่กับแก่เนี่ยมันมันเป็นความรู้ทางหูนะตาไม่เห็นนะแต่หูได้ยินเห็นไม หูได้ยินเหตุปัจจัยปัจจุบันเข้ามากคืออะไรกับแค่กับแก่หูได้ยินจิตเราตื่นหูเราได้ยินเราดูไปที่เหตุปัจจัยของเสียงเราดูไปสิโอกับแก่ตุกแก่ตุกแก่อ่ากับแก่มันร้องมันก็แบ่งเสียงออกมาใช่ไหมมันร้องมันร้องในภาษาแค่นั้นกับแก่กับแก่กับแก่แค่นั้น เหตุปัใจจัยในภายในของมันก็มีอีกแล้วก็ดูเข้าไปดิโอจิตของมันก็มีความรู้สึกอย่างานั้นอย่างานั้นอย่างานั้นอยาานัย้าานร้องไปตามภาษีภาษาของมันไปเราได้ยินเราได้ยินถ้าหากเราไม่เห็นเป็นความจริงเราก็เห็นเป็นเรื่องขัดข้องโอ้ยร้องเสียงรบกวน <c oughs> เสียงรบกวนร้องเสียงรบกวนรบกวนหูเสียงร้องเสียงรบกวนรบกวนหู แต่ถ้าเราพอจะเท่าทันความจริงอยู่บ้างเราก็ดูให้เห็นเห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยจะน้ำกระดับไปและเหตุปัจจัยอยู่ที่มันเช่นด้วยมันร้องก็คือมันร้องเราไปนึกไปคิดให้มันหายมันก็หายไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่จิตของเราเหตุปัจจัยอยู่ที่มันนู่นเหตุปัจจัยภายในภายนอกก็อยู่ที่เขานั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่เรา วัตถุนอกกายเราทั้งหมดสิ่งที่มีวิญญาณครองก็ตามไม่มีวิญญาณครองก็ตามเราหัดพิจารณาในแง่นี้จะทําให้เราเข้าถึงความจริงไม่งั้นเราอยู่แต่กับกวนอุบายหลอกลวงของกิเลอนในหัวใจของเราชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจยิ่งคนกับคนด้วยแล้วคนนั้นทํากิริย า, ยยายอย่างนั้นไม่ถูกใจทํากิริยายอย่างนี้ไม่ถูกใจก็หาเรื่องทะเลาะเบาแวงกัน ที่ที่ไปที่มาของมันเราไม่ดูเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพูดแบบลงตาทั้นพูดโอ้ยถูกกิเล่มันจับหัวใสให้ชนกันหน่าเครียดแค้นให้กับมันกิเล่มันจับหัวใสให้ชนกันนะมนุษย์เราถือเนื้อถือตัวทิฏฐิมานะสำคัญมันหมายความจริงไม่ปรากฏ เมื่อความจริงไม่ปรากฏมันก็ถูกแต่ของปลอมของจอมปลอมของจอมปลอมคือพิษสงของกิเลนสมันมันเสี่ยมมันสอนที่จะเรียกว่ามันเสี่ยมมันสอนมันฝนมันฝนฝนฝนให้คมและให้แทงกันมันฝนให้คมใครครวนั่นฝนละพอคมๆโอ้รู้สึกว่าคมเหลือเกินรู้สึกว่าได้เปลี่ยนแทงอะไรใชนไหมมันเห็นไหม กนูบายกนมายาก็มนะันเครียดแค้นให้กับมันไหมหน้าเครียดแค้นให้กับมันไหมหน้าเอาออกไหมหรื อ, รอโอ้เป็นมหามิตรดีเหลือเกินชอบใจเหลือเกินนะนั่นเห็นกงจับเป็นดอกบัวเป็นงั้นนะมันปาดหัวเลือดสาดอยู่โอ้งามเหลือเกินเยิ่มเหลือเกินนะเห็นกงจับเป็นดอกบัวนะเห็นกงจับมาฟันหัวเนะี่ยเห็นเป็นของประดับ เห็นกงจักเป็นดอกบัวที่ท่นทน า, นานท่านวานีโบราณท่านเปรียบเทียบเห็นกิเลสเป็นเครื่องประดับเห็นกิเลสเป็นเครื่องประดับกิริยาอาการชอบใจเพลินใจเราพวกเราก็มีทุกข์ประสบความทุกข์อยู่บ่อยๆ อ, อยู่เนืองๆกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานกรรมฐานช่วยเราได้งานสมถะก็ช่วยเราได้ประคับให้อยู่ในเงื้อมมือ วิปัสสนาคลี่คลายเพื่อให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยเราถึงจะเบาบางไปได้ไม่มีใครช่วยเราได้ในโลกนี้ไม่มีใครช่วยเราได้แน่ๆเราช่วยเราได้ใ น, นเมื่อเรารู้จักช่องทางพิธีที่พระุทธเจ้าท่านสอนแล้วเอาไปทําตั้งอกตั้งใจทําช่วยเราได้เราช่วยเราได้คนอื่นช่วยเราไม่ได้คนอื่นเป็นพระปัจจัย ปัจจัยที่แท้จริงก็คือตัวเราเนี่แหละเป็นอัตตะปัจจัยเวลาทำไปแล้วได้ผลมาก็โอ้ทาให้เราตื่นขึ้นทำให้เราเบิกบานขึ้นทำให้เรามีความสุขมีแ ช, มมแช่มชื่นเบิกบานขึ้นทำให้เราตื่นเนื้อตื่นตัวจากกิเลสตัณหาสระที่มันพันหัวใจเราอยู่ทุกรี่เนี่ยดีงานกรรมฐานดูให้เป็นกรรมฐานดูให้เห็นความจริงดูดูด ตามดูหลงเคลิมไปกับกลโนบายมายาของมันก็คือเป็นกลโนบายมายาของตัณหาตัณหาคือกิเลสกิเลสคือตัณหาอย่าลืมมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจกิเลสมันไม่เกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจย้อนมาที่ใจเราจะเห็นดูไปที่อื่นเราไม่เห็นดอกเราเห็นว่าสิ่งนุ่นเป็นกิเลสสิ่นี้เป็นกิเลสคนนั้นเป็นกิเลสคนนี้เป็นกิเลสไม่ใช่หมูหมาเป็ดไก่เป็นกิเลสไม่ใช่ อย่างอื่นไม่มีอะไรเป็นเกลียดในหัวใจของเราใจเราดําริผิดเองเราเศร้าหมองเองเราโง่เองเรามืดเองเราบอดเองเราหนวกเองไม่มีใครมืดไม่มีใครบอดไม่มีใครหนวกแล้วก็ไม่มีใครทุกข์กับเราเรารู้เรารู้เท่าทานสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ในเมื่อความทุก เรานี้ไม่มาก่อวกวนจิตใจของเราแ ล, แล้วเราก็มีความสุขความสุขเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องเรียกร้องเหมือนจิตที่เราเหมือนจิตของของเราที่มันดิ้นรนไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์สารพัดนึกคิดไคลครวนบ้าอยู่คนเดียวนั่นแหละลองไปเราลองไประงับปับ๊บไม่ปรุงไม่ลึกไม่คิดไม่ไคร์ครวนไม่อะไรตามมันตามสัญญาอารมณ์ที่มันหลอกอยู่ภายในใจมันก็สงบ มันก็มีความสุขจิตมีความสุขจิตได้นอนหลับอย่างั้นนะไม่ใช่ตื่นบ้าวิ่งรับอารมณ์บ้าๆมากวนใจของตัวเองอยู่งั้นทุกทุกระยะทุกเวลาตลอดจิตมีความสุขไหมมีความสุขเอาไปหัดพิจารณาหัดเจริญไปเอาวันนี้เอาแค่นี้แหละ